FM 89.5 m ม 89. z สรซร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า1 0 0สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดาเนินรายการโดยนัธพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลกนิตทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะให้โดยมีหวังสิงนใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยสิที่คิดจะให้โดยแรงใต้บวกแรงใจและศรัทธาเงือ ท, ที่ท ร, งรงิง กลับมาเป็นพลังนำพาสู่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 สังคมของเราครับโดวยวันนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงต้นนะฮะในช่วงแรกของรายการนะครับคิดอาสาครับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะผมนําเรื่องราวจากนีดาโผลนะครับที่เขาเผยถึงคนไทยเนี่ยมีการให้ความสําคัญต่อการทําจิตสาธารณะนะครับนึกถึงเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและไม่หวังผลตอบแทนมากที่สุดนะครับครอบครัวมีส่วน ช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการทำดีนะครับคุณผู้ฟังครับโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะครับสำรวจความคิดเห็นเรื่องของสังคมไทยร่วมใจสร้างจิตสาธารณะนะครับทำการสำรวจระหว่างวันที่14บสถึงยีพฤษภาคม2 5ง2จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้น รกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศจำนวน 4,800 หน่วยตัวอย่างนะครับเมื่อถามถึงการให้คะแนนถึงความสำคัญในการทำจิตสาธารณะพบนะครับว่าประชาชนให้ความสำคัญในการทำจิตสาธารณะอยู่ในระดับดีมากครับคุณผู้ฟังโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.9 คะแนน จาก10คะแนนเต็มเลยทีเดียวนะครับและเมื่อกล่าวถึงจิตสาธารณะนะครับท่านนึกถึงเรื่องใดมากที่สุดนะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9 นึกถึงเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับรองลงมาร้อยละ 19.5 นึกถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมร้อยละ10 7.9 นึกถึงเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะนะครับร้อยละ 4.4 นึกถึงเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมร้อยละ 3.3 นึกถึงเรื่องการยกย่องและการให้เกียรติผู้อื่นและร้อยละ 0.04 ทุกข้อที่กล่าวมาตามลำดับนะครับ และจากผลโพลนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่เคยทําในการแสดงถึงความเป็นจิตสาธารณะนะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 ระบุนะครับว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเช่นเก็บขยะปลูกป่ปาพัฒนาคทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆนะครับรองลงมาร้อยละ 54.9 ระบุนะครับว่าเคยทําในชีวิตประจําวันอย่างเช่นลุกให้เด็กนั่งหรือคนชารานั่งจูงคนชาราข้ามถนนช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงให้อาหารสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์จรจัดนะครับและร้อยละ 23.5 ระบุนะครับว่าเคยเป็นอาสาสมัครอย่างเช่นเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือเด็กคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับส่วนความรู้สึกนะฮะหลังจากการทำจิตสาธารณะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่้อยละ8 4 2มีความภาคภูมิใจมีความามีความสุขรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับลงลงมา้อยละ4 4 ศรู้สึกว่าตัวเองได้บุญร้อยละ 22.7 ต้องการชักชวนผู้อื่นมาทําด้วยลอยละ19ต้องการทําอีกหรือทำบ่อยบ่ออยละ 11.6 ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคมลอยละ 0.04 ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับและการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะพบนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละเ6 3เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะโดยได้ให้เหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ครับคุณผู้ฟังร้อยละ 64.2 ให้เหตุผลว่าเป็นกิจกรรมของหน่วยงานหรือว่าชุมชน ลอยละ59ให้เหตุผลว่าเป็นความสมัครใจนะครับลงลงมารอยละ 34.2 ให้เหตุผลว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลอยละ10 5.1 ให้เหตุผลว่าครอบครัวให้การสนับสนุนส่งเสริมร้อยละ 0.02 ได้พบกลุ่มเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันนะครับส่วนกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพียงร้อยละ 3. าดเนะครับให้เหตุผลดังนี้ว่าร้อยละ 71.9 ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลารองลงมาร้อยละ 21.9 ให้เหตุผลว่าไม่มีเพื่อนไปและร้อยละ 10.1 ให้เหตุผลว่าไม่มีกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจหรือว่าทักษะนะครับและร้อยละ 7.3 ให้เหตุผลว่าไม่มีทุนทรัพย์ร้อยละ 3.9 สุขภาพไม่ดีนะครับคุณผู้ฟังครับรูปแบบกิจกรรมสาธารณะที่ประชาชนสนใจเข้าร่วมมากที่สุดนะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละหกสนใจลงแรงเพื่อร่วม กิจกรรมสาธารณะนะครับลงลงมาร้อยละ 25.3 สนใจทํากิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาคเงินสิ่งของและร้อยละ 10.3 สนใจการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญานะฮะและร้อยละ 0.10 สนใจกิจกรรมทุกรูปแบบนะครับคุณฟังครับและเมื่อกล่าวถึงเป้าหมายที่ประชาชนต้องการทํากิจกรรมหรือจิตสาธารณะด้วยมากที่สุด พบนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.2 สนใจการทํากิจกรรมในกลุ่มของเด็กเยาวชนรองลงมาร้อยละ 30.4 สนใจทํากิจกรรมในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับและร้อยละ 13.8 สนใจการทํากิจกรรมในกลุ่มของคนพิการร้อยละ 12.1 สนใจการทํากิจกรรมในกลุ่มของคนที่ไร้ที่พึ่งเล่ล่อนขอทานและร้อยละ 5.1 สนใจทํากิจกรรมกับกลุ่มสตรีนะครับนในส่วนของแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธนารณะนะครับพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละห้ระบุว่าควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจิตสาธารณะผ่านสื่อต่างๆนะครับรองลงมาร้อยละห้าระบุนะครับว่าสามารถรณรงค์สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะร้อยละห้าระบุถึงการปลูกฝังค่านิยมนะฮะจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและร้อยละยี่นะครับระบุว่าสร้างแรงจูงใจในการมอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณ น, นะครับคุณ ลำดับท้ายที่สุดเมื่อถามถึงหน่วยงานหรือองค์กรสถาบันใดๆที่ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจเพื่อปลูกจิตสํานึกหรือว่าจิตสาธารณะเนี่ยพบว่า 73.9 ระบุนะครับว่าครอบครัวรองลงมาร้อยละ58ระบุว่าสถานศึกษาร้อยละ 42.3 ระบุนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะร้อยละ 35.5 ระบุนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐรั ฐ, รฐวิสาหกิจร้อยละ 35.3 ระบุว่าสถาบันทางาศาสนา นะและรอยละ21ระบุว่าหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆอย่างเช่นบริษัทห้างร้านหรือองค์กรต่างๆที่จะมาร่วมกันสนับสนุนในการทำจิตอาสาเหล่านี้นะครับ คุณผู้ฟังครับและนี่คือข้อมูลนะฮะดีๆที่นํามาฝากในช่วงแรกของรายการวันนี้ในช่วงคิดอาสากับผลโพนะครับที่เผยว่าคนไทยเนี่ยให้ความสําคัญของเรื่องการทํจาจิตสาธารณะนะครับรวมถึงนึกถึงเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับอะที่สําคัญอย่างที่ได้บอกไปในผลโพนี้นะครับว่าครอบครวัวมีส่วนช่วยส่งเสริมในการเกิดแรงจูงใจในการทํำดีรวมถึงเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังครับคนในครอบ ของเราสำคัญนะครับก็ถ้ามีเด็กเล็กหรือว่ามีลูกน้อยในบ้านก็ลองพาเขาไปทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อจะเป็นการส่งผลเนี่ยให้เขาเนี่ยมีจิตสานาะอยู่ในตัวเองแล้วและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของคนอาสานะครับวันนี้คนอาสาผมมีเรื่องราวของสิงอาสานะครับที่ผลิต ก, กำลังกับหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษทางเรือกองอกองเรือยุทธการนะฮะที่การจัดตั้งทดสอบสรรภาพทางร่างกายเพื่อให้บริการแก่เหล่าอาสาสมัครกู้ไัยทั่วประเทศเลยนะครับกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะฮะติดตามได้ในช่วงหน้ากับช่วงของคนอาสากันครับ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 กลับมากับช่วงนี้กับช่วงคนอาสาครับวันนี้คนอาสานําเรื่องราวของสิงหาสานะครับที่ผนึกกำลังกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อให้บริการแก่เหล่าอาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศเลยนะครับ คุณผู้ฟังครับสิงอาสาโดยบริษัทบุญรอดเบอร์บอรี่จำกัดและมณฑิพระยาพิลมพักดีร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการนะครับในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสอรภาพทางร่างกายที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้บริการแก่เหล่าอาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศนะครับโดยได้เล็งเห็นนะครับว่าเหล่าอาสาสมัครทุกคนจะ ได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพทางร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงนะครับคล่องแคล่วว่องไวพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ในประจําวันให้รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับทั้งนี้ในงานสิงอาสาได้นําเครื่องทดสอบสภาพทางร่างกายคือเครื่องออกกําลังกายลู่วิ่งสายพานคุณภาพสูงมอบให้แก่ศูนย์ทดสอบสภาพทางร่างกายเพื่อให้เหล่าอาสาสมัครทั่วประเทศเนี่ยได้มาใช้ทดสอบและเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในการออกกําลังกายนะครับโดยมีพลเรือตีอาภกร อยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและนาวาเอกสุริยันสำราญใจนะครับผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หนึ่งหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการนะครับเป็นผู้รับมอบในวันที่14มิถุนยายนที่ผ่านมานะครับทางนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายกู้ภัยสิงห์อาสาทั่วประเทศและเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากมหาวิทยายลัยบูรพานะครับเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองยุทธการฐานทัพเรือสัตหีบนะครับโดยคุณรัติพงศ์พักดีครับผู้จัดการแผนกเครือข่ายสิงห์อาสาบริษัทบุญรอดเบอรี่จำกัดกล่าวนะครับว่าทางสิงห์ อาสาทุกคนนะครับเชื่อมั่นว่าในการปฏิบัติงานทุกครั้งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเครือข่ายพันธมิตรของสิงหาสาทั้งเครือข่ายกู้ภัยสิงหาสาเครือข่ายนักศึกษาสิงหาสารและทีมงานสิงหาสาทุกคนจะต้องมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อจะได้ทํากิจกรรมดีๆที่ร่วมกันสร้างทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงการช่วยเหลือสังคมการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาความรู้ของ ตัวเองเนี่ยให้สามารถสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมได้อย่างเต็มที่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายที่มีความพร้อมจะทําหน้าที่ที่ทําให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆผ่านไปด้วยดีและประสบความสําเร็จนะครับด้วยสิงอาสานะครับเชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสุขภาพร่างกายนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเหล่าจิตอาสาทุกคนทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะสิงอาสาะนะครับคุณผู้ฟังแต่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเตรียมความพร้อมในการทําจิตอาสาต่อไปนะครับด้านเครือข่ายกู้ภัยสิงอาสาโดยในนาทีบัวประดิษฐ์นะครับ จากสมาคมอยุทยาร่วมใจหน่วยกู้ภัยกล่าวนะครับว่าเขาเองทำงานอาสามามากกว่า20ปีปกติจะออกกำลังกายทั่วไปและไปอบรมทักษะกู้ภัยต่างๆแต่ไม่เคยได้ทดสอบสมภาพทางร่างกายอย่างจริงจังซึ่งทีมกู้ภัยของ เขาเนี่ยเป็นทีมกู้ภัยทางน้ํานะครับบางครั้งสถานการณ์ยา ก, กลําบากมากการที่ร่างกายของคนเรามีความพร้อมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากด้วยเขารู้สึกว่าศูนย์ทดสอบสุข ภ, ภาพทางร่างกายนี้ออกแบบมาดีมากเลยนะครับเพราะได้มาตรฐานตามระดับสากลอุปกรณ์ครบครันและมีเทรนเนอร์ที่มีคุณภาพช่วยแนะนําและนอกจากพี่ ๆ, หๆทหารแล้วกู้ภัยหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ อีก ด, ด้านนักศึกษาเครือข่ายสิงห า, า, าง ส, สาครับนายจักกพง์สุธิสาครนักศึกษาชั้นปีที่3ามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาอังกฤษกล่กาวนะครับว่าตัวเขาเองได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสิงหาสามาอย่างต่อเนื่องการได้ออกค่ายไปทํากิจกรรมต่างๆความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสําคัญครับคุณผู้ฟังได้รับโอกาสเข้าร่วมทดสอบสุข ภ, ภาพ วันนี้เขารู้สึกดีใจมากและเตรียมความพร้อมมาเต็มที่และคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับทางเขาขอบคุณสิ่งอาสาและกองเรือยุทธการที่จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถภาพนี้ขึ้นมาให้พวกเขาเนี่ยได้มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้หม อ, อกปรังกายที่ถูกต้องและนอกจากนี้ยังทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ อาสานะฮะและยังทำให้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเขาและเพื่อนๆก็จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปแนะนำกับเพื่อนเครือข่ายอาสาคนอื่นๆเพื่อฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงและนำประโยชน์ให้ และไปทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากบริษัทบุญรอดเบอร์รี่ด้วยนะครับคุณผังครับถือว่าเป็น1กิจกรรม1กลุ่มงานห น, งหนุ่งองค์กรดีๆนะครับที่นํามาบอกต่อในช่วงของคนอาสายในวันนี้กับสิ่งอาสานะครับกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสุขภาพร่างกายให้กับเหล่าอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆทั่วประเทศนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์ทดสอบที่น่าจะจําเป็นกับเหาคนอาสานะครับ รู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกัดสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกับช่วงสุดท้ายของรายการกับภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสามีกิจกรรมดีๆจากมูลที่กระจกเงามาฝากคุณผู้ฟังนะครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับภารกิจจิตอาสาครับศูนย์นวัตกรรมความรู้ amutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 กลับมากับช่วงสุดท้ายครับกับภารกิจจิตอาสาครับคุณฟังครับวันนี้ภารกิจจิตอาสาผมนําเรื่องดาวของมูลที่กระจกเงานะครับกับการมาชวนคุณ้ฟังไปเป็นอาสาทำสวนนะครับที่สวนครูอังุนสวนสาธารณะใจกลางเมืองทองหล่อซอยสนะฮะในการเปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้ที่ชื่นชอบและใกล้ชิดกับธรรมชาติมาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการสร้างสรรพื้นที่สาธารประโยชน์แห่งนี้นะครับแล้วคุณจะพบนะครับว่างานอาสาทําได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับด้วยจำนวน อาสาสมัครที่เขาเปิดรับนะครับเขาจะเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครั้งละไม่เกิน5คนนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาธรกิจที่จะไปทำนะฮะก็มีการเตรียมความพร้อมในการทำสวนอย่างเช่นปลูกและลดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้กวาดใบไม้และทําความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะนะครับและอีกหนึ่งภารกิจนั่นก็คือการเตรียมอุปกรณ์ะะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆที่เข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะพร้อมทั้งร่วมทํางานประดิษฐ์หรือว่างาน DIY ให้กับเด็กๆนะครเป็นงานศิละปะหรืองานอะไรต่างๆนะครับด้วยกิจกรรมนี้ใครเข้าไปร่วมก็จะได้สัมผัสกั บ, กบธรรมชาติใจกลางเมืองผู้คนรวมถึงเด็กๆทั้งไทยและต่างชาตินะครับได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสวนสาธารณะการดูแลต้นไม้และรวมไปถึง การดูแลความปลอดภัยของเด็กๆได้รู้จักการสร้างสรรค์า ง, งานศิลปะแบบ DIY และได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและหน้า ง, งานของอาสาสมัครเองนะครับและออกแบบงานร่วมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมไปในกิจกรรมนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานที่เป็นสวนสาธารณะนะครับดังนั้นอาสาสมัครก็ควรแต่งกายเพื่อปกป้องแสงแดดในกลางวันและหากท่านใดมีอาการแพ้ฝุ่นเมลงอากาศเส่สรดอกไม้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนลงงานได้เลยนะครับใครสนใจไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์092 267 6292นะครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือ1กิจกรรมดีๆก็คือกิจกรรมอ า, ารรมสาทำสวนจากพื้นที่กระจกเงาที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังท่าไหนสนใจก็สามารถพาลูกบุตรหลานพาเพื่อนๆชวนเพื่อนๆ น, น, นะครับหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไปร่วมทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะนกิจกรรมดีๆแบบนี้กับพื้นที่กระจกเงาได้ที่สวนสาธารณะ ส่วนคูองหุ่นนะครับใจกลางเมืองทองหล่อซอยสามเลยก็สามารถไปสมัครได้นะครับหรือสมัครที่หมายเลขโทรศัพท์0922676292นะครับ mm hmm. คุณฟังครับคร บ, ครบทั้งสามช่วงของรายการในวันนี้แล้วนะครับกับสุขอาสาทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสานะครับ กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังผมจะนําเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาสากิจกรรมอาสาต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันในรายการสุขอาสาแห่งนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ s วีทเ FM เอ็กหาวิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร02 691 773 8ึง จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจดิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ จิตอาศาเร า, าพาภูมิใจ I'm so tired.